ทำบุญร่วมกับเท้าสักกะปรากฏว่างวดนั้นออกเลขที่ท่านให้เห็น914หนึ่งสอ่อนใจหายหมดสลากงวดเนี้ยออกมาได้อย่างไรตรงเป๊ะเลยอ่อนได้เงินมาจำนวนหนึ่งจากเลขนั้นจึงนำไปถวายหลวงตาทั้งหมดเลยพร้อมกับขอบพระคุณท่านเท้าสักกะที่เมตตาให้อ่อนได้เงินไปทำบุญกับหลวงตาหลังจากนั้นหลายวันอยู่อ่อนนอนหลับหลังจากทาสมาธิแล้ว คราวนี้ฝันว่าเทวดามากมายมาร่วมอนุโมทนากับอ่อนในเรื่องการทําบุญกับหลวงตาด้วยเงินที่ถูกหวยและที่ท่านเท้าสักกะมาบอกอ่อนไม่ได้ยินดีกับเงินที่ได้มาท่านอาจจะลองใจอ่อนดูก็ได้ที่ให้เห็นตัวเลขอ่อนถือว่าเป็นเงินของท่านเท้าสักกะจึงทําบุญถวายหลวงตาแทนท่านไปหมดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเห็นเลขอะไรอีกเลยและไม่ปรารถนาที่จะเห็นด้วย เรื่องหวยเนี่ยอย่าได้ถือเป็นเรื่องจริงจังอ่อนเชื่อว่าเป็นบุญของใครของมันหากมีบุญแล้วอะไรอะไรก็มาเองหากบุญไม่มีแล้วทำอย่างไรก็ไม่ได้ก็ลำบากเรื่องนี้ขออย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยหากเข้าวัดภาวนาแล้วยังติดส่วนนี้อยู่มันก็เป็นกิเลสเป็นขวากหนามของการภาวนาแล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันวาสนาก็เป็นพลังสมทบด้วยเช่นในเรื่อง ทหารเรือที่ไม่มีวาสนาในเล่มหนึ่งไงอ่อนมีความสุขกับงานที่ทำถวายให้กับองหลวงตาอ่อนรู้ตัวว่าอ่อนมีเวลาไม่มากที่จะทำงานถวายท่านเมื่อมีโอกาสเช่นนี้อ่อนก็ต้องรีบคว้าไว้ก่อนได้ร่วมบุญกับหลวงตาหาที่ไหนได้เช่นนี้อ่อนรู้ตัวว่าอายุไม่ยืนยาวมากพออ่อนจึงต้องรีบ